ชั่วโมงเทา่า่ไรเลยเห็นไมจะมาทาเวลามาได้เมือ่อไรยุ่งตลอดติดต่อกันมาเรื่อยๆว่างสแล้วพอดีอะไรนี่พอดี อ, ด อ, ด อ, ดอมพอดีนี่ก็ี่บอันนั้นอันนี้ยี่สแล้วเนี่ยอะไรก็อะไร อันนี้อย่ามาพัดปิดให้หมดมันมาโดนเรื่อยๆ อ, อยูน่นี่มาโดนเรื่อยๆพระมามากใหมพระมากพระจำนวนม า, ออมากอยู่นี่ทานตั๋มาเท่าไหร่คระได้มีบัญชีลงืเปล่าบัญชีพาาอะไรมีบัญชีเปล่า มีบัญชีแล้วมทั้งหมดสี่ถึงเอ็ดรูปครับสี<ะ>่ถเอ็ดรูปครับพระฝรั่งสี่เอ็ดครับแล้วรวมทั้งหมดหรอรว่าพระนานาชาติสีเอ็ดรูปครับกำลังจะมาพวกนี้อีกครับผมยังยังไม่แน่แต่ว่าพระนานาชาติสี่ถึงเอ็รูป<ะ>มา น่ะตันไซกระสอบลาบอีกกิโลจำนวนแปดสิบกระสอบครับก็พอใจแล้วนี่เรายังสั่งอีกแล้วกลัวไม่พอทีแรกสั่งมายี่สผ้าสั่งเพงิ่มกว่า <c oughs> อี <80. S 1> กยี่สิบผ้าในครั้งนี้มาแปดสิบเนอะเอะแปดสิบก็เอ า, าร้อยหกสิบเอาเท่านั้นละเอาสองหารเอาสองคูณไปเรื่อยๆทีอืมกว่าเราจะทําบุญเราทําเล่นเมืไหร่วะมาะะม า, มาบอกเลยเอาใจเนอะ อเวลาจะทําเวลาจะให้เอาให้ให้มีอะไรทาทั้งนั้นแหละ <c oughs> ออ ก, กทางยงกลมมาว่าจะมาได้เวลาพอดีมาพอดีทั้งนุนรอเต็มอยู่กุฏิแล้วเหตุการณ์ทั้งนั้นนะจะต้องได้ขึ้นกุฏิเอาก็เจ้า ก, ก่อนจบนั่นก็เพิ่งมานี่มันจึงเลยเวลาไปนี่เรามีเวลาว่างเมื่อไหร่มันไม่ได้ว่างนะ อยู่สบายสบายซ ะ, ะก่อนเรายังพอมแมวจานพูดพูดเป็นใจจากหัวเด้เพิ่นพูดเฉยพวกเป็นใจจากหัวเล่าเลยโบลืมเลยล่ะเพิ่นพูดเรื่องเวลอมเวล่าอย่างมากม า, าเพิ่นมีอย่างบุกเจียวของกับเวล่า ม, งงมาอะไรมาเพิ่นเล่าก่อน พูดเ่านี่พวกนี้ไม่มีวาสนามันไม่อยากพูดนะต้องคนมีวาสนามันถึงพูดได้การพูดนี่ต้องพูดให้คนมีวาสนาฟังแล้วพวกนี้มันพวกอาภัพวาสนาทั้งนั้นถึงไม่อยากพูดนะเข้าใจเนะมันเบาอยู่เลย <c oughs> เอาลนะพอพออันนี้พอเอา้านั่นเท้านะั่นมันถึงหนักดี อันนั้นหนักนะอันนี้เบาโยมเขามาพูดมาว่าอะไรเรื่องเวลาอย่างเนี้ยมาพูดกับท่านเรื่องเวลาเวลามากำหนดเหมือนว่าบอกเวลากับท่านท่านไปหรือส้างตามเวลาอะไรอะไรเ้มันแต่จะหัวเนี้ยมันพูดเฉยเนี้ย ท่านพูดแต่ท่านเฉยๆแต่เราฟังอยู่มันจะตายเลยนะี่ยสีเมถาผู้ใดได้เนี่ยวางกันนะเฉยพูดเราเฉยนะผู้ฟังมันจะตายทีแล้วเจ้องอมากไม่ได้นะเดี่ยวใหญ่ก็อยู่นั่นอีกต้องระวางังแก้ไมนะ่ได้นี่แล้วท่นพูดท่านเฉยแล้วสบายเฉยเราเลยไม่เลือเข้าใจเรื่องพวกนี้ลนะ่ะพูด เออเข้าใจเลยไม่เข้าใจก็อยากเข้าใจเธอเอแล้วไม่อยากให้เข้าใจตั้งแต่เรายังไม่พูดนู่นว่าพูดเข้าใจไปหาอะไรก็แกิเอาเข้าใจมาตั้งแต่น้นจงกระั่งปันณีได้ห้าสิบกว่าปีแล้วท่านร่วงไปแล้วแต่แต่ท่านพูดก่อนนั้นอีกนะเรายังไม่เห็ก็เห็นพูดว่านี่เพิ่งโผล่ออกมาแล้วอืม อเจอหน้ามันกว้างไงเจิหน้ามันกว้างเนะี่ยรถจ อ, อกบิ่งต้องเจอน้ำมันด้วยบ่งไม่มีน้ำมันไปไม่ได้รถของเราก็ก็จะพอสมควรอนะันนี้นะที่สังมาอย่างละอย่างละสามร้อยสามร้อยสามร้อยเหมือนกันหมด ปลากระป๋องสามร้อยแล้น้ำปลาสามร้อยสามร้อยลังกุกสามร้อยลัง น, น้ำตาลว่าห้าสิบกว่าสอบนี่พอดีครงไหนเอามาอีกเนดติดแีกก็ห้าสิบสามหนึ่งร้0ยสามิบกว่านะสอบนะมันไดเอามามาอะไรทานมันแ ก็เราเอามาตั้งเอามาทานดีกว่าไม่ได้เอามาห่วงเอาไว้ดีกว่านี่กับแบบเดียวกันแล้วเราเอามาทานแล้วไม่เอามาห่วงไว้แล้วเราว่าจะเป็นข่อยเป็นขาสีไม่เทาผู้ใดไดยหรือเขาเข้าใจหรือพวกนี้มันนะอเข้าใจไม่เวลาจะพูดเข้าใจปะ อย่าเข้าใจเถอะเราไม่อยากให้ใครเข้าใจเลยคราว <c oughs> นี้หน่อยก่อนคนก็มากวันนพระก็ยุ่งจะเป็นร้อยๆแล้วมัน่าแต่ว่าพระต่างชาติมันสี่สี่เบียร์ส่สององคนะเน ถ่ายไปจะมากแนงมากยนี่เวลาพูดที่นี่มันมีไม้มีไมออกทั่วไปไหมครับฮ<ะ>ครับไม่ออกทั่วไปเลยครับเออก็ดีอยู่ได้ยินทั่วไปแล้วดี วันนี้พอบ่ายสามโมงก็เริ่มเผาเลยจ้ะตามเวลาเป่งเลยงา น, นการอย่างอื่นอย่างใดให้ทำก่อนเวลานี้ให้หมดได้สั่งเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลานั้นปั๊บก็ปุ๊บเลยเนื้อต่างคนต่างจะแยกไปทําธุระของตนจำเป็นจำเป็นมีอยู่ทั่วประเทศไทยก็ต้องออกก่อนปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอก้าอัน 49, นี้คือบางว่าจะย่อนบัตรนะี่ะ ก็อย่างนั้นเลยเรต้องไป <c oughs> นั่น <c oughs> แหะเมนเราที่แรกจะทำไว้สำหรับเผาหลวงตาบัวเพราะดีธรรมัญญาตายก่อนเลยใส่ธรรมัญญาเข้าไปเผาก่อน ไอ้เรื่ปัญญาไปเผาก่อนนะเผาเราที่หลังอย่างนี้พูดถึงเรื่องเผาเราก็แน่ๆเลยล่ะแยกกับกะไว้ยัางนั้นร้อยเปอรเเลยล่ะไอ้เรื่องราวมันก็ยุ่งก็ามาเลยทําให้แน่ใจไม่ได้นะ เผาไม่เผาเราไม่ว่าหรอเราตามความรู้สึกของเราเต็มหัวใจเราแล้ ว, ลวเราไม่มีกังวลกับการเป็นการตายการเผาการฝังการทิ้งการคว้างเราไม่เคยสนใจพอมันไปไม่รอดแล้วเหลือสลาดพั่วเดียวไปเลยคายาไปต้มไปแกงอะไรก็แล้วแต่อื <c oughs> พูดอย่างนั้นเนียเข้าใจเหรือเข้าใจแล้ว <c oughs> เหรออ เราได้เรียนมาพอแล้วเรียนมาปฏิบัติมาวันนี้สายทอดอินเทอร์เน็ตครับสายทอดอินเทอร์เน็ตโทรโลกอ่าวิทยุร้อยสามจุดสองท่ากับที่อุดรแล้วก็แปดสิบเก้าสองบัวรพูครับสายทอดวิทยุเดี๋ยวฟังในขณาดเดียวกันนี่เหรอตอนนี้ครับเอออืม แต เ, เริ่มแล้วเริ่มมีพ่มทุ่มครึ่ ง, นะงหายเหน่อ ย, ย, ยกี่วันก็อะไรได้ยินชัดอยู่ขนาดนี้นะได้ยินชัดอยู่นี่น ะ, ะนี่ก็ออกจาก้ังกรมก็เดินมาจะออกมานี่ตามเวลา พอดีมันมีธุระรออยู่กุฏิแล้วนะ่ะคนเต็มแ น, น่มาต้องแด่ขึ้นกุฏิแล้วก่อนมีอะไรพูดกันจนกระทั่งจบเรื่องแล้วถึงได้มาว่าเห็นนี่มันถึงสายเลยเวลามาอ น, นี่กันหน่อยที่เรา <c oughs> พอดีแ ล, แล้วเนี่ย มั น, นจะพอดีนะพอดีแล้วอ่ะอันนี้จะเริ่มอุรมะ วันนี้ <c oughs> จัดว่าเป็นงานใหญ่โตพอสมควร <c oughs> เนื่องมาจากท่านปัญญาวัตโทเป็นพระชาองังกฤษที่ได้มาอาศัยวัดนี้ตั้งสี่สิบกว่าปีได้ทำประโยชน์ให้วัดนี้มากมายท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อวันที่สิบแปด นบรรดาประชาชนพระเนนที่เกี่ยวโยงกันโดยฐานะเป็นลูกศิษย์พระทาคตคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันต่างท่านต่างทราบก็เกิดความเศร้าโศกสังเวชแล้วมาปรุงรรมาสังเวชในความ <c oughs> เป็นความตายซึ่งวันนี้ก็ปรากฏอยู่แล้วหีบศบท่านก็ตั้งอยู่กลางศาลา เพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้ดูแล้วได้มาสั่งสอนตนเองเรื่องความตายนั้นท่านล่วงลับไปแล้วศพของท่านยังอยู่ในหีบพวกเรายังอยู่นอกศพชีวิตหายใจยังมีอยู่ต่างคนต่างหายใจด้วยกันทุกรูปทุกนามก่อนจะถึงวัน ตายเช่นเดียวกันกับท่านที่ประกาศให้เห็นชัดเจนอยู่เวลานี้ <c oughs> ด้วยเหตุนี้วันนี้จึงมีการอบรมอัดรมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านมาจากต่างถิ่นต่างแดนภาษาของโลกที่สมมุตินิยมก็ ว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้นี่ที่โลกตั้งชื่อตั้งนามกันมาแต่ชื่อนามของพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งไว้แล้วสําหรับสั ต, ตว์ทั่วโลกตัว่วไปนั้นท่า น, นว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่เรื่องใหญ่โตอืม จงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยความมีสติตามทางเดินของศาสตราเราทั้งหลาย น, นีพระต่างชาติท่านมาจากที่ต่างๆท่านอุตสาหมาบำเพ็ญกองการกุศลโดยถือท่านปัญญาเป็นคติเครื่องเตือนใจ <c oughs> แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ที่จะได้ที่แกงเรื่องอัด ร, รมข้อวัดปฏิบัติแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่อุตสาห์สละมีล่ำเวลาหน้าที่ ก, การงานชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างสละจากความเป็นโลกเป็นสงสารเข้ามาสู่ความเป็นพระลูกศิษถาคตแล้วมีหลักธรรมหลักวินยัยเป็นศาสดาเอก ติดตัวไม่เคลื่อนคราดคือไม่ล่วงเกินศีลข้อใดก็ตามทมข้อใดก็ตามเป็นผู้มีความเทิดทูนศีลวิในนั่นแหละและทมไว้ด้วยความมีหิโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาทต่อกรรมที่จะผิดพลาดจากตนเองเป็นผู้กระทาลงไปด้วยความเผลอหรอือ <c oughs> รู้เท่าไมถึงการอาจมีได้ต้องมีสติสตางระมัดระวังเสมอพระโหลนี้ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดเป็นลูกศิษย์สถาคตทั้งนั้นท่านให้ชื่อให้นามเช่นอย่างปัจจุบันนี้ก็ว่าเป็นธรรมยุทธบ้างมหานิกายบ้างนี้เป็นชื่อเป็นนามแม้ตั้งแต่หมูหมาเป็ดไก่เขาก็มีชื่อมีนาม พระเราก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามสังคมนั่นๆที่นิยมกันเท่านั้นนี่ท่านได้อุตสาห์พยายามมาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีที่หลวงตาก็เลยอยู่ในสถานที่นี้ที่จะได้แนะนำสั่งสอนท่านผู้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อมรักเพื่อผลเพื่ อ, อนิพาน สดสดร้อนร้อนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมที่เรียกว่าสวาคาตธรรม ต, ตรัสไว้ถูกต้องแม่นยาแล้วไม่ว่าวิัยข้อใดธรบุตรใดบาทใดทรงแสดงแล้วด้วยความถูกต้องเป็นแนวทางเดินของผู้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังความสนใจปฏิบัติ ตลอดเวลาและท่านผู้มีความเคารพในวินัยก็ดีในธรรมก็ดีปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยนั้นๆอยู่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีาศาสราติดหัวใจเราตลอดเวลาอิยบททั้งสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนด้วยความมีสติ มีธรรมมีวินัยเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ด้วยความมีสติตลอดไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศาสดาปิดตัวและตามสเสด็จพระพุทธ เ, ทเจ้าทุกอิริยาบถเว้นแต่เวลาหลับที่สุดวิสัยเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มีสติสตังระวังรักษาตัวด้วยความ เป็นผู้มีหิโอตตปะสะุ้กลัวต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลาศีลรักษาให้บริสุทธิ์ธรรมรักษาบำรุงให้ดีโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจา้าดังที่ท่านประธานพระาวาดไว้จวนจะปรินิพานว่าดูก่อนอานนท พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่เราตถาคตสแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วนั่นนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วพอฉันขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาระมัดระวังในธรรมและวินัยที่อยู่กับตนอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้ จะเป็นผู้มีาศาสราติดตัวตลอดเวลาการตายของเรานั้นเหมือนกับโลกที่เขาตายไปการเกิดกับการตายเป็นของคู่เสี่ยงกันเกิดแล้วต้องตายอันนั้นเป็นส่วนสรีระไม่ใช่พุท ธ, ธะโดยแท้ส่วนพุท ธ, ธะโดยแท้ <c oughs> ได้แก่ ความบริสุทธิ์แห่งพระไทยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่คือความบริสุทธิ์โดยแทย้ธรรมที่ตรัสออกมาจากความบริสุทธิ์สุดส่วนนั้นให้เป็นวินัยบ้างเป็นธรรมบ้างจึงเป็นสวากขารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วผู้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ชื่อว่าผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาเพื่อความพ้นจากทุกข์ เป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ศีลก็บริสุทธิ์นับตั้งแต่ขณะที่บวชเสร็จลงไปแล้วศีลระมัดระวังรักษาให้ดีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สวาธิปัญญาให้อบรมทางด้านจิตตะภาวนาระมัดระวังตนเสมอสติเป็นของสำคัญกับการบำเพ็ญภาวนา คำว่าภาวนานี้เรียกว่าธรรมเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายแต่ไม่ได้บังคับเหมือนพระวีในสำหรับพระวีในไม่ว่าข้อใดกดกาหนดกฎบัญญัติใดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นทั้งนั้นให้จะล่วงเกินฝ่าฝืนไม่ได้เสียหมด น, นี่ท่านเพียงให้รักษาพระวีใน คือองศ า, ศาสดานนั้นไว้กับกายวาจาใจของตนเสมอ่สวรธรรมคือการอบรมจิตใจมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องควบคุมการบำเพ็ญงานของตนงานของตนหมายถึงงานของพระผู้สละตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนาสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเขา ถือกันปฏิบัติกักนพระให้สละให้หมดสมบัติเงินทองเข้าของเลือกสวนไล่นาบริษัทบริวารเหล่านี้สลัดออกหมดถือทรรมเป็นคู่ชีวิตถือพระวีไนเป็นคู่ชีวิตถือความภาคเพียรอบรมจิตใจของตนด้วยความมีสติเป็นคู่ชีวิตตลอดไปเห็นนักภาวนานกะ็ ให้มีติดติดแนบอยู่กับการภาวนาของตนนิยธรรมจึงกว้างขวางมากเบื้องต้นผู้มาบวชหรือคารวะาก็ตามที่ฝึ่งเฟกหัดดัดแปลงวิธีการระงับดับอารมณ์ที่เป็นภัยคือกิเลสนั้นเป็นวิธีการเดียวกันกับคารวะากับพระเป็นแบบเดียวกันจิตใจเราบวชเราบวชแล้วกิเลสไม่ได้บวช กิเลสกิเลสตัวฟุ้งซ่านบุ้นวายยุแย่ก่อกวนทำลายจิตใจให้เราว่าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาหาความสงบเย็นใจไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลส ต, ตัวเป็นภัยกวนอยู่ภายในหัวใจของเหล่านี้แหละทีนี้ผู้มาบวชแล้วก็ให้ระงับดับนี่ ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องโลกเรื่องสงสารที่เคยคิดเคยปรุงมาให้คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมแทนที่ความเป็นคารวสของตนเช่นเราเริ่มฝึกหัดภาวนาเราจะนำธรรมบทใดามาบริกรรมภาวนาติดแนบอยู่กับใจเช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ หนาปานาสติก็ได้หรืออารมณ์แห่งธรรมใดที่ถูกกับจริตนิสัยของตนให้น้อมนําอารมณ์นั้นเข้ามาสู่ใจ ใ, ใจนี้ได้ยึดได้เกาะเป็นคำบุรีกรรมกับธรรมบทนั้นๆแล้วมีสติควบคุรรมอยู่กับใจของตนใจมีคำบุรีกรรมเป็นผู้ควบคุรรมคำบุรีกรรมมีสติ เป็นผู้ควบคุมให้ติดแนบอยู่กับใจนี่ท่างเรียกว่าอบรมใจเช่นเรานั่งภาวนาให้มีสติติดแนบอยู่กับคําภาวนาของตนเดินจงกรมเราภาวนาบทใดสําหรับผู้ตั้งรากฐานใหม่ก็ให้อยู่กับคําบุริกรรม <c oughs> ที่ตนนํามาบุริกรรมนั้นด้วยสติตลอดไป ไม่ว่าจะเดินเท้าก้าวหน้าถอยกลับมีสติอยู่กับคำบุยกรรมติดแนบกันไปเสมอนี่เรียกว่าใจได้รับ ไ, ได้รับการบำรุงรักษาด้วยความเพียรคือสติธรรมปัญญาธรรมทำให้จิตใจมีความสงบได้เมื่อสติควบคุมรักษาใจอยู่เรื่องที้เลตปัญหาที่จะ มาผลักมาดันให้สังขารความชิดความปรุงอันเป็นเรื่องของสมุทยัยผลักดันนี้มันก็ออกคิดไม่ได้เพราะเอาบทของธรรมนี้ไปปิดกัน้นช่องทางที่มันคิดมันปรุงไว้เสียให้ปรุงอัรทำแทนที่แทนที่เช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นแทนความชิดปรุงของจิเลสมีสติกํากับรักษา ต่อเนื่องเป็นลำดับลําดาอย่าให้เผลอนี่ถ้าเผลอสติความเพียรก็ลดลงไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากที่ผู้ประกอบความเพียรเพื่อให้จิตใจมีความสงบจงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นกับคําบริกรรมของตนสําหรับผู้เริ่มแรกในการภาวานาทีนี้ผู้ที่สูงก้าวสูงเข้าไปกว่านั้น จิตมีความสงบล่มเย็นเป็นจุดแห่งความสงบอย่างเด่นชัดแล้วภายในจิตใจก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับจุดแห่งความสงบนั้นหรือสมาธินั้นกำกับกันไปโดยลำดับลาดาไม่ให้เผลอสตินี่ก็เรียกว่าจิตนี้ได้รับการบํารุงรักษาใจของเราให้มีกำลังมากขึ้น เช่นผู้สงบน้อยก็เริ่มสงบมากขึ้นไปผู้มีความสงบมากแล้วก็กลายเป็นสมาธิคือจิตมีความแน่นหนามั่นคงต่อตัวเองจิตถอยออกมาแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องอะไรอะไรก็คิดได้แต่กาหนดดูความรู้อันเป็นจุดที่สว่างสวัยหรือเป็นจุดที่แน่นหนามั่นคงท่านที่ห้าในานามว่าสมาธิ ก็ปรากฏเด่นชัดอยู่กับจิตดวงนั้นให้สติติดแนบอยู่กับจิตที่มีสมาธิแน่นหนามั่นคงนั้นไปตลอดนี่การบำเพ็ญจิตในเบื้องตน้นให้พากันพินิจพิจารณาอย่างนี้แล้วที่นี้จิตเมื่อมีสมาธิรับความสงบแล้วเรียกว่าจิตนี่เริ่มอิ่มอารมณ์ อารมณของใจคืออยากชิดอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆอยากนั้นอยากนี้เต็มอยู่ที่หัวใจมีความอยากเป็นประมาณท่วมท้นอยู่ในหัวใจพักดันออกมาอยากชิดอยากฝูงอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทุกสิ่งตัวอย่างนี่คือเรื่องของกิเลสเมื่อจิตมีความสงบแล้ว อารมณ์ที่หิวโหวยเหล่านี้จะสงบตัวระงับตัวลงไปมีแต่ความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจใจมีความเอิบอิม่มใจมีความสบายอารมณ์เหล่านั้นไม่มารบ ก, กวนเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องทั้งหลายนามจิตที่อิ่มอารมณ์ทึ่งสงบอยู่แล้วนั่นแล ออกพิจารณาทางด้านปัญญา <c oughs> ด้านปัญญาถ้าพุทธเจ้าก็มอบให้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะ <c oughs> อาวุธเหล่านี้ติดตัวอยู่กับทุกทุ ก, ท, ก, ท, กทุกท่านแม้แต่คารวาดก็มีอย่าว่ามีแต่พระเลยนี่เราสอนพระเราก็พูดแบบพระไปเท่านั้นเองทั้งความจริงแล้วงานเหล่านี้มีอยู่กับทุกคน พระพุทธเจ้าประทานงานให้ซึ่งเป็นงานสำคัญมากที่ะยําทำละสาสางกิเลสตัณหาสิ่งที่จะให้พาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวมาตั้งกับตั้งกันนี่ให้ค่อยจืดจากลงไปโดยลำดับท่านจึงมอบอาวุธที่ทันสมัยให้ขึ้นบ้างต้นท่านสอนว่าเกษคือผมโลมาคือขน หน้าขาคือเล็บทันทนตาคือฝันตโจคือหนังนี่เรียกว่ากรรมฐานห้างานที่ควรทำสำหรับพระนั้นคือกรรมฐานห้านี้เป็นพื้นฐานคือได้แก่เจสารมานาขาทันตาตโจท่านผู้ใดท่านจิตยังไม่สงบจะนำ ทำทั้งห้าบทนี้บทใดก็ได้มาบริกรรมเพื่อความสงบของตนก็ได้เช่นเจษา เ, เกษาอเกษาเกษ า, เกษาเป็นคําบริกรรมเลยก็ได้โลมานขาทันตาตะโจ ω, คําใดก็ตามลํามาเป็นคําบริกรรมของตนเช่นเดียวกับเราบริกรรมพุทโธหรือธรมโมเป็นต้นก็ได้นี่เวลาจิตที่ยังไม่สงบทําเหล่านี้ก็เป็นสมถะธรรม เป็นเครื่องมือทำใจให้สงบพิจนาอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นำเอานี้เข้ามากำหนดให้จิตใจสงบแล้วทึ่นีคลีคลายสิ่งเหล่านี้ออกไปเอสารูมานาขาสันตาตะโจมีทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและคลวาดและโลกทั้งหลายติดกันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น ไม่มีโรคใดผู้ใดไดใ ด, ด, ดที่จะเลือดลอดออกไปจากสิ่งเหล่านี้โดยไม่ติดได้เลยตีดด้วยกันทางนั้นเพราะวิชาที่จะเปิดสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนเพื่อปล่อยวางความกังวลวุ่นวายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดของตนจึงต้องเปิดด้วยเกษารมาณขาทันตาตาโตตาโตคือหนังหุ้มหอ่อ หนังหญิงหนังชายหนังสัตว์หนังบุคคลหุ้มห่อแล้วมีดตัวหลงกันทั้งนั้นหมาก็หลงหมาคนก็หลงคนสัตว์หลงสัตว์ทั่วทั่วไปหญิงหลงหญิงหลงชายหลงกันไปหมดเพราะหนังบางๆไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยเป็นหนังกําพร้านี่แหละมันปิดไม่มีใครดูไม่มีใครสนใจจึงไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันปิดอยู่แล้วจึงมีด ม, มืดมิดปิดตาตลอดกันทั่วโลกดินแดนพระพุทธเจ้าจึงได้นำอาวุธนี้ออกมาให้เปิดสำหรับพระผู้บวชเพื่อความพ้นถูกให้กำหนดกรรมาฐานห้านี้ในเบื้องต้นก่อนเจสารุมานาาทันตาตะโจเ <c oughs> พราะตะโจนี้คือหนังหุ้มร่างกายของหญิงของชายสัตว์บุคคลเปิดอันนี้ออกไปรูป ลักษณะมันจะมีแตกต่างขึ้นทันทีเพราะหนังนี้ออกมีแต่เนื้อดูกันได้ยังไงดูเนื้อดูดูหนังแล้วก็ดูเนื้อและเอ็นกระดูกตับไตไส้ผุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูตลอดตัวถึงนี่ลี่คายเข้าไปท่านเรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเฉพาะ พ, พิจิตที่มีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้แล้วอย่างนี้เล่าซ้ำๆ ซ, ซากๆเป็นเหมือนเขาคลาดนาคาดไปคลาดมาจนมูลคาดมูลไถยแลกละเอียดควรแกการปักดำแล้วเขาก็ปักดากันอันนี้การพิจารณาอาการเหล่านี้จะเป็นอาการใดก็ตามที่เราถนัดอาการใดเราจะก้าวเดินอาการนั้นมากกว่าก็าได้ ต่อไปมันก็จะซึมซาบไปถึงกันหมดทั้งร่างกายของเราทั้งภายในภายนอกจะเป็นกองอจุพะอจุพังป่าชาผีดิบป่าชาผีตายในตัวของเราเองนี่แหละสติปัญญาได้หยั่งเข้าไปนี้แล้วจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นลำดับลำดาอืมแล้วกองทุกข์ทั้งหลายนันก็จะค่อยเบาไปตามเบาไปตามนี่ท่านเรียกว่าภาวนา นักบวชให้มีความสนใจทางด้านจิจตะภาวนางานอื่นงานใดไม่สำคัญสำหรับนักบวชเราการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างพออาศัยชาวบ้านเขาเป็นอยู่เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วกุฏิก็ร่มไม้ชายคาในป่าในเขาที่วัดของเราแต่ละวัดก็เป็นวัดป่าอยู่ตามร่มไม้ทั ในป่าหรือตามกุฏิกระต้อบอยู่ในป่าแก่การภาวนาไม่ละไม่ถอยพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลาก็เป็นความถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในเวลาบวชเจดแล้วที่เบื้องต้นว่าลุกขมูลเสนาสนางดีซาญาประชาตัทะเตยาวชีวังอุซาห้การณิโย บรรดเจ้าประสมุทดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลล่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดที่แย้งลองง้อมว่างอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะไม่มีผู้ใดเข้าไปรบกวนการบําเพ็ญธรรมก็ได้สะดวกสบายตลอดเวลาแล้วจงทําความอุตสาห์พยายาม ประกอบความภาคเพียนและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระดาพระสงฆ์บวชมาได้รับพระโอวาทข้อดีทุกองเลยไม่มีเว้นแม้องเดียวรับมาอย่างนี้ตลอดแล้วส่งเสริมให้อยู่ในป่าในเขาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสด้วยสถานที่เหมาะสม คือที่สงบสังัาจําจัดวิเลตเหล่านี้ออกได้อย่างสะดวกสบายนี่อยู่ลุก ม, ลมูลโลม้ที่นี่เราอยู่ในปา่าเรามีกระตอ๊อบมีร้านเล็กๆ เ, เราก็อยู่ในปา่าเป็นที่สงบสังัาแล้วพิจารณาทำงานของตนอย่าปล่อยอย่าวางงานของเรานั้นคือเจสาโรมานขาทันตาตะโจในเรื่องการี่การ <c oughs> สิ่งเหล่านี้โดยทางปัญญา เมื่อจิตยังไม่มีความสงบก็ให้กลอมจิตด้วยคำบูดีกรรมดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นพอจิตค่อยได้รับความสงบแล้วก็เข้าเป็นสู่สมาธิแล้วจิตใจมีความอิ่มอารมณ์แล้วพากันก้าวเดินทางด้านปัญญา <c oughs> พิจารณาทางด้านปัญญาสกุลกายนี่พิศลานมากทีเดียววันนี้เป็นความจําเป็นที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันกับทุกคนแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาลนอยู่ด้วยกันทุกคนเช่นเดียวกัน <c oughs> การแสดงธรรมยังไม่ขัดต่อเพศใดภูมิใดทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสเมื่อนำไปพิจารณาแล้วจะตอดถอนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตอนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับท่านสอนพระ <c oughs> พระท่านนําไปปฏิบัติก็เป็น ความดีงามของท่านนี่ให้พระท่านถือเป็นกิจการจริงๆงานของพระคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยอาศัยวิชาธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องคลี่คลายขยายตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พมงอาหารใหม่อาหารเก่าของตัวเอง แล้วก็ดูออกไปข้างนอกโลกนอกกับโลกในเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าเวลาพิจารณาตนเองยังไม่เข้าใจชัดในป่าช้าของตัวเองนี้ให้ไปดูป่าช้าภายนอกเสียก่อนเพราะข้างพุทธการคนตายแล้วไม่มีการเผากันตายทิ้งเกลื่อนกล่นอยู่ตามป่าช้าเรียวกว่าป่าช้าผีดิบไม่มีการเผากันท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้า นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเองถ้าดูปา่าช้าภายในตัวของเหล่านี้ยังไม่เห็นให้ไปดูข้างนอกเสียก่อนเช่นไปดูป่าช้าที่ตายเก่าตายใหม่ท่านบอกวิธีการไว้หมดในการเยี่ยมปา่าช้าตายเก่าก็มีตายใหม่ก็มีตายสดสดร่อนๆก็มีผู้เพิ่องจะพิจารณาเรื่องป่าป่าช้านี่ยาด่วนเข้าไปในศพที่ตายใหม่นั่น ให้ไปหาศพที่ตายเก่าๆแก่ๆกระดูเ ก, เ, ก, เ, ก, เ, กเนื้อหนังผุพังไปหมดแล้วดูน้าเข้ามาแล้วดูขยับเข้ามาถึงตายสดตายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจสามารถแล้วพิจารณาได้หมดทั้งตายเก่าตายใหม่พอเข้าใจเิงน่แล้วก็มาพิจารณาเรื่องธาตุขันคือร่างกายของตัวเองที่ยังไม่ตายก็เป็นแบบเดียวกัน พอเข้าใจในเรื่องนี้แล้วการเยี่ยมป่าช้าก็ค่อยหมดปัญหาไปดูแต่ป่าชาภายในร่างกายของเราแยกแยะหลายครั้งหลายโหนหลายตลกทบทวนท่านผู้พิจารณาทางด้านปัญญาขอให้พิจารณาเอาร่างกายนี้เป็น <c oughs> สถานที่ทํางานเหมือนเขาคลาดไล่คราดนาไถ่าไปถ่ามาคลาดไปคลาดมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียด น, นี่กับพิจารณาค้นคว้า ในร่างกายเนื้อหนังของเราเต็มสกลากายนี้กลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังจนจิตใจมีความชำน้ชนานาญแล้วจะบอกขึ้นเองในตัวเองอพิจารณาอะไรจะกลายเป็นเรื่องอรุณพระอรุณังไปหมดในสกลกายทั้งเขาทั้งเราเรื่องของปัญญาเรื่องอำนาจขึ้นโดยลําำดับฉลาดแหลมคม ไม่มีที่สิ้นสุดถ้ากิเลสไม่ขาดสะ บ, บั้นออกไปเสียมอะไรปัญญาแก้กิเลสนี้จะไม่มีสิ้นสุดขยับขยายออกไปนี่ขอให้ท่านนักบวชทั้งหลายนําไปปฏิบัติยาปล่อยวางงานอันนี้นี่หละ ง, งานเพื่อบูเบิกเพิกถอนกิเลสตัณหาคืองานที่สอนสักครู่นี้เพียงย่อๆว่าเกสาโรมาณขาทันตาตะโตให้ถือนี่เป็นงานสาคัญประจําตน พินิษพิจารณาประจาตนอยู่ที่ไหนพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเป็นความสงบใจเรียกว่าพักอารมณ์คือจิตใจมีความสงบแล้วไม่พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นความสงบอารมณ์เดียวอยู่ในสมาธินั้นเสียเพราะจิตอยู่ในสมาธินี้เรียกว่าพักงานจิตจะมีความสงบร่มเย็นภายในตัวโดยเฉพะเฉพะ พอจิตมีความอิ่มพอในการพักผ่อนตัวเองแล้วก็ถอยออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาก็เป็นสิ่งเก่านั่นแหละพิจารณาให้ช่ำชองให้ชำนิชํนานาญซิ้อจิ่งทุกอย่างแต่ก็จัดกระจายไปได้ตามใจหวังใจหวังรวดเร็วขึ้นไปรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยเื่นี่ท่านให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาสกุลกายเป็นพื้นฐานแห่งการพริจารณาอย่าไปหาเอาจรวดดาวเทียม มาพิจารณาไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนเจสาลุ ม, มานาะขาสันตาแต่โจนในกลยของเหล่านี้ไม่ได้ไปสอนจดด่วนดาวเทียมอย่าพากันเรียนลักเรียนลาด เ, เดี๋ยวมันตกเหวตายนะนะให้เรียนตามพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วกับพิจารณาทางร่างกายของเราละเอียดแล้วก็มีความเห็ดเหนื่อยเมื่อล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิแล้วจิตใจสงบพอได้มีกําลังใจแล้วถอยออกไปพิจารณาอีก ทางด้านปัญญาร่างกายนี้มีความชำนิชำนาญ น, นี่สอนพระโดยเฉพาะถ้าไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้งานของพระกับงานของเราว่าต่างกันแต่นี่นานๆถึงจะได้มาพบกันวันหนึ่งวันนี้จึงได้เปิดเรื่องอัดเรื่องทําการพริจารณาอาุภระสุภังกรรมฐ า, านเพื่อทางพันพานขึ้นให้ท่านนักบวชทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในฐานะที่ว่าเราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้อยู่แล้ว หายสงสัยในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายจิ่งนั่นทำธรรมที่หายสงสัยเพราะตนปฏิบัติมาแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายให้นําไปพินิจพิจารณา <c oughs> เรื่องร่างกายนี้สําคัญมากนะอย่าไปหลงอย่าไปตื่นอย่างอื่นให้เอาอันนี้พิจารณาข้างนอกข้างในวิ่งถึงกันหมดเลยถ้าลง ติบัญญามีความชํานาญในร่างกายของเราร่างกายของใครก็เป็นแบบเดียวกันพิจารณาทั่วแดนโลกธาตุได้อย่างรวดเร็วทันใจนี่งานนี้เป็นงานที่หนักมากนักบวชทั้งหลายให้พากันทราบเอาไว้นะสำหรับพวกนักเบียดนักกอดนั่นเป็นอีกหนึ่งนะไอ้นักบวชนี่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับอัดกับทำโดยเฉพาะจึงต้องสอนวิชานี้ให้มากทีเดียว สอนวิชานี้มากคือพิจารณาให้มีความคล่องแคล่วว่องไวจนกระทั่งจิตใจมีความช <c oughs> ำนิทำนานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องอสุพะอสุพังทั้งหลายที่เราพิจารณาจนคล่องตัวนี้แล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในใจของเราเองโดยที่เราไม่เคยคาดเคยชิดพิจารณาอรุภะอสุพังทอดแด่โลกธาตุเอามาตั้งไว้ตรงหน้าของเรา ตั้งขึ้นมาอะไรก็เป็นอสุภาษุณังรูปยินรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลมาตั้งไว้ตรงหน้าเป็นอสุภาสุณพังไลา่ขั้งไล่โหนเอาตั้งอสุภานี้ต่อหน้าเมื่อตั้งไปตั้งมามีความชำนี่ชํานาญแล้วเอาอสุภาษที่ตั้งอยู่ต่อหน้านั้นแล้วมันจะถู ก, กจิตใจนี้ดึงดูดเข้ามาหาตัวเองแต่แต่ก่อนก็คือจะสังขานอันนี้แหะสัญญานี้ไปวาดภาพเป็นวิชาธรรมอืม แก่ตัวเองพระบอกว่าสวยว่างามวิซารำบอกว่าไม่งามเอาว่าพิจณาให้เป็นอรุภพอสุพังทั้งคนเป็นคนตายเป็นอรุภพอสุพังเหมือนกันหมดจนมีความชำนี้ชนานาญแล้วอรุภพอสุภังทั้งหลายเหล่านี้เอามาตั้งไว้ที่ตรงหน้าของเราเพอกําหนดเมื่อมันชนานาญแล้วตั้งไว้ <c oughs> ความชํมนานาญนั้นนั้นแหละอรุสุพังที่อยู่ภายนอกซึ่งเราเคยตั้งไว้แล้วจะค่อยหมุนตัวเข้ามา ถูกจิตใจนี้ดึงดูดเข้ามาจิตใจดึงดูดอภาชุพะภายในนอกนั้นเข้ามาเป็นอภาชุพะภายในคือหัวใจของตนเสียเองนี่ทีนี้เป็นอภาชุพะภายในขึ้นมาแล้วอภาชุพะภายนอกที่พิจารณามาจนคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นอภาชุพะภายในนี่เมื่อเป็นอาชุพะภายในนี่นี่ชัดเจนแล้วอภาชุพะภายนอกปดัดขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่อภาชุพะภายใน ตั้งขึ้นแล้วดับไปตั้งขึ้นแล้วแบบไปฝึกซ้อมกันให้มีความเตรียมใจให้มีความชํานี้ชํานาญสิ่งที่ตั้งขึ้นเป็นอจูปภาพภายในนี่ค่อยๆดับลงไปดับลงไปลวดเรยวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ขอสรุปความให้บรรดาพระลูกทั้งหลายได้ฟัง <c oughs> และนําไปคืนปฏิบัตินี่ต่อจากนั้นไปภาพอจูปภาพภายในนี้จะเร็วขึ้นไปโดยเรื่อยๆจนกลายเป็นปรากฏขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อม นี่เรียกว่าชำระไปเรียบร้อยแล้วนี่ขั้นนี้แหละขั้นที่หนักหน่วงมากโลกทั้งหลายติดกันอันนี้เองการมราคาอยู่ในจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากทีเดียวอวิชาปัิญาสร้างขาลาอวิชานั้นอยู่ในสำนักพระราชวางังไม่ได้ออกมาทำหน้าที่การงานอะไรแต่เรื่องราคาตันหานี้ออกทำหน้าที่รบราค่าฝันต่อฆ้าศึกศัตรูที่ไหน ทำนั่นแหละเป็นค่าศึกของราคาตัญหานี้มาผ่านมาได้มันเหยี่ยบแปลกไปหมดเลยเรียกว่ามันออกลบกิเลสออกลบโลกทั้งหลายหมอบราบบอบราบกิเลสเหยี่ยวหัวเอาทีนี้เมื่อทำมีความแก่กล้าแล้วทำนี่ก็เอากิเลสให้หมอบราบกลายจนเข้ามาเป็นอรจุพะภายในเป็นตัวเองแทองเป็ น, ปนอรจุพะหลอกตัวเองนั่นทีนี้มาเป็นอรจุพะภายในแทอง แล้วจากนี้แล้วก็หมดปัญหาเรื่องราคะตันหาที่เคยเจี่ยวพันกับสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลานั้นซึ่งมันเคยดึงดูดที่สุดไม่มีอะไรที่จะดึงดูดอย่างหนานแน่นมั่นคงแก้ยากถอนยากยิ่งกว่าราคาตันหาเพราะอาจุพะภายนอกหมุนเข้าตัวเข้ามาเป็นอรรจุพะภายในใจเป็นผู้รู้โทษของตัวเองเป็นผู้ไปข่วนเอาจริ ง, งต่างๆเข้ามาเป็นอรรจุพะหลอกตัวเอง แล้วใจก็ต่อยสลัดเรียกว่าสลัดอสุป ภ, ภายนอกเข้ามาเป็นอสุป ภ, ภายในนี่ราคาตันหาตัวดึงตัวดูดจิตใจให้หมุนติ้วลงติวลงตลอดเวลาจนกระทั่งถึงนรกอเวกีก็คือกิเลสการมัญหานี่แหละอันนีพอ่ขาดสะบัดลงไปแล้วใจที่ถูกดึงดูดลงไปด้วยการมกิเลสนี่จะถอนตัวทันทีกลายเป็นใจที่หมุนขึ้นข้างบนเรียกว่า ท่านสำเร็จพระอนาคามีในขั้นที่สมสอบได้แล้วเราพูดตามขั้นภูมิของผู้ช้าผู้เร็วนี่คือผู้ช้าได้ระดับแล้วฝึกซ้อมอรูปภาพภายในให้มีความเปลี่ยนไก่แล้วจนกระจายเป็นความว่างนี่เรียกว่าจิตนี่เป็นขั้นอนาคามแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแม้จะอยู่ปัจจุบันที่ได้รู้นั่นที่เคยหมุนที่เหลกหมุนลงมันก็ไม่ลง ที่นี่มีจมูนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรีย่ยงกับระอนาคาไม่กลับมาเกิดอีกแล้วตั้งแต่ปัจจุบันก็ไม่หมุน ล, ลงมีจมูนขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยลงกระช่างถึงอกติถาจากนั้นก็เข้าถึงญิภาน จ, จิตใจที่ฝึกซ้ำตนเองตั้งแต่อาุผ้าอาุพังที่เข้ามาปรากฏในจิตเบื้องตน้นนี่แล้วจนมีความชํานิชํานาญอายุภา้าภายในกลายเป็น เกิดดับเกิดดับไปซะบมดพิจารณาอะไรไม่ทันว่าเป็นสุภาอสุวะไม่ทันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจากนั้นใจก็ว่างไปหมดเลยนี่หมดเรื่องกิเลสกร ม, มากิเลสหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่จิตที่ว่างความที่ว่างอารมณ์แห่งธรรมกับอวิชชาพวกสังขารวิญญาณเหลือหรื อ, รอ <c oughs> สัญญาเหล่านี้มันจะเป็นนามธรรมาเกิดขึ้นมาจา ก, กจิต มุนเข้าไปสู่จิตสติปัญญาตามต้อนเข้าไปสู่จิตเนี่ยจากนั้นก็เข้าถึงอวิชชาถอนอวิชชาขึ้นจากใจนั้นนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดโล่งหมดเลยไม่มีเรียกว่าโลกธาตุนี้อาโลโกุตปาสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีที่ใดปิดบังลี้รับมีแต่ทิ่เลสเท่านั้นปิดบังหัวใจเอาไว้พอที่เลกมีวิชาเป็นนําคัญขาดสะบั้นลงไปจาก ใจเสียเท่านั้นใจเปิดล่องไปหมดถ้าเรียกว่าอาโลโกุดปาดีสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนต้เรียกว่านิพานเชี่ยงจ้าไปกระทั่งนิพานเชี่ยงนั่นแหละนี่คือผลแห่งการปฏิบตัติขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายยึดเอานี้ไปเป็นหลักเป็นเกณในการปฏิบัติอยึดการพิจารณาร่างกายเป็นของสําคัญมากทีเดียวนะ เราจะอยู่เย็นไปนสุขได้เพราะการพิจารณาการแยกธาตุแยกขันธ์เป็นอรุภาอรูปังทุกขงังอริจังอนัตตาอยู่ภายในนี้จนมีความชำนิชำนาญแล้วเรื่องตามมัทิ่เลจะไม่กวนใจเบาลงเบาลงจ ง, งกระช่างตามมาทีเลถาดสะบั้นไปจากใจก็รู้เองนี่แหละการปฏิบตัติขอให้นําวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติยาปลอยเรื่องกายกาตานะกายกาตาสติเป็นสำคัญมากให้หมุนอันนี้ให้มากทีเดียว พิจานาเมื่อหมุนมากอันนี้เท่าไรจิตใจจะดิบเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปถ้าจิตใจยังไม่สงบให้ตั้งคําบุริกรรมให้ดีมีสติบังคับบัญชาห้ามไม่จิตชิดไปสิ่งภายนอกที่เคยก่อกวานตัวเองซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเอาธรรมะเข้าแทนเอาเช่ น, นคําบริกรรมคําใดเอาคํานั้นเข้าแทนหรืออนาปานาสติ อ, อนาปารติเข้าแทนความคิดตูมของกิเลส แล้วจิตใจก็สงบลงเพราะมีสติบังคับตลอดเวลาให้จําเอานะนี่ถ้าจิตยังไม่สงบให้เร่งฐานนี่ซะก่อนพอสงบแล้วก็ให้สติติดเข้าไปกับความสงบจากความสงบแล้วก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจากสมาธินั้นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาปัญญานี่สำคัญมากเรื่องอสุภาสุพังสําหรับผู้ปฏิบตัติต้องให้แน่นหนามั่นคง ท่าชองในอาจูผาอาจูผังทั้งหลายท่านทัง้งหลายจะเห็นเองเรื่องมรรคผลดุพานดูกับอุบายวิธีนี่ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพระผู้ติเจ้าคือธรรมพระวินัยคื อ, อคือศาสดาพระวินัยคือศาสตาพระธรรมคือศาสดาเรื่องสติปัญญาคือศาสดาเอามาติดแนบกับตนไปที่ไหนจะมีศาสดาติดแนบกับตัวไปโดยตลอดผู้นี้จะเป็นผู้เบิกบ้างโดยลําดับลําดา ใครอยู่ในสถานที่ใดที่ใดเราเป็นสัตว์โลกด้วยกันเป็นผู้มีที่เด่นหุ้มห่อปิดบังลี้นอยู่พายในจิตใจให้มืดมิดปิดถวายไปตามๆกันหมดทำนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องเปิดจิตใจออกให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาไม่ว่าใครจะเกิดในสถานที่ใดเป็นชาติชั้นวรรณะตามสมมุตินิยมใดก็ตามรวมแล้วเราเรียกว่าสัพเพสัตตานวาสต์ทั้งหลายคือสัตว์โลกที่ติด งอมแนมอยู่กับที่เรศตั้หามาตั้งกับตั้งกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วทำนี้เท่านั้นที่จะแก้จากโลกทั้งหลายให้สว่างกระจากแก้งและพ้นทุกไปได้จึงขอให้มีความหนักแน่นในอัดในธรำที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสำคัญมากเราอย่าไปเสียดายเวลาเวลาอื่นใดยิ่งกว่าความเพียรที่ติดแนบ ก, กันอยู่กับสติ อยู่ยังไงรินยัง ไ, ไงไปยังไงไม่สําคัญสําคัญที่สติกับกับคำภาวนาของเราให้ติดแนบกันเรียกว่ามีความเพียรตลอดสายทุกขั้นทุกตอนสติเป็นสําคัญมากปล่อยไม่ได้นะสติในขั้นเริ่มแรกก็สาคัญสูงไปสลัลสติยิ่งสําคัญจนกลมกลืนไปเป็นสติปัญญาตโนมัตหมุนตัวเป็น ไปเองด้วยการแก้ทิเด็ดเป็นแบบับจงกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นนามธรรมาล้วนๆแล้วมหาติมหาปัญญาสังหารทีเด็แบบซึมซาบซึมซาบไปเลยจงกระชั่งทิเดสขาดสบัปเแล้วไม่ต้องถามหาอินพานไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรอยู่ที่ไหนเจ้าขึ้นภายในจิตนี้เท่านั้นน่ยอ๋อสัจจาเป็นอย่างนี้แนเหรือเพียงเท่านั้นไม่ต้องถามมหาพระพุทธเจ้า แล้วการที่จะเห็นวุฒิเจ้าให้ตั้งอยู่ในสตินะสติธรรมปัญญาธรรมนี่เรียกว่าตามเศเดชพระ菩萨ตาตลอดเวลาด้วยความภาคความเพียรไม่ห่างเหินสติให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาการเป็นอยู่บูบายของพระน่ะง่ายนิดเดียวสําหรับพระผู้ที่มุ่งต่อรักผลนิพานแล้วง่ายที่สุดเลยมินทบาทได้อะไรมาขรบฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอเยียวยาทักฉันเท่านั้นพอเท่านั้นพอแต่เรื่องจิตใจ ซึ่งมีความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมต่อแรงพอนถูกดีไม่มีเวลาขี้จางหมุนติ้วตลอดเวลานี่การอยู่การกินการหลักการนอนพอยังอัตภาพให้เป็นไปบรรเทาธาตุขันเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอิตตภาวนาของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลาดับให้มีหลักใจเป็นที่ยึดที่ก่อตัวเองอสมถตาธรรมจิตใจสงบแล้วสบายพระเรา แล้วสมาธิทํานี่จิตใจมีความแน่นหนามันของเข้าไว้เท่าไรยิ่งสบายคนที่มีสมาธิเต็มหัวใจแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดความคิดความปรุงที่มันเคยผลังดันออกมาอยากคิดนั่นอยากปรุงนี้ดับหมดลงสมาธิเต็มภูมิอยู่ในมีในหัวใจแล้วความคิดปรุงนี้เลยลําำคานไม่อยากที่จะปรุงอยู่กับความรู้อันเดียวแน่วอยู่นี้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้นี่ผู้มีสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิ ไม่อยากออกทางด้านปัญญาเพราะมันสบายที น, นี้จะออกทางด้านปัญญาถูใช้ไปตามพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆนี้มันไม่อยากพิจารณานะมันอยากวิ่งเข้ามาหาสมาธิความสงบสบายนี่เสียจึงต้องได้ลากออกไปให้พิจารณาเจสาโรมาณขาสันตาแตกโตแยกธาตุแยกกันทั้งเขาทั้งเหล่าทั่วแดนโลกธาตุดึงออกไปพิจารณาออกไปมันไม่อยากออกดึงออกไปเพื่อพิจารณาออกไปแล้วจะค่อยลูก อย่างขาวดาวกระจ่างขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาทีนี้พอปัญญามีทางเดินแล้วมีทุนเป็นของตัวเองแล้วจะเพิ่มกําไรเข้าไปเรื่อยๆแล้วยิ่งหมุนเรื่อยๆเรื่องปัญญาพิจารณาสกุลหลักกายอันนี้ชลุลมูนวุ่นวายมากนะการพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภาพสุบัติเอาให้หนักนักปฏิบัติถ้าใครเก่งทางนี้แล้วผูนั้นจะสบายเรื่องที่เรื่อยกามาทีเร่อยเป็นต้นไม่ควรใจจากนั้นไปแล้วหายเงียบหมด วิเลศขาดสะบั้นลงไปกามวิเลศขาดสะบั้นหายห่วงอืใจก็ไม่ถือดึงดูดลงมาเหมือนแต่ก่อนมีจะหมูนขึ้นไปข้างหน้าหรือเรียกว่าขั้นอนาคามีหมูนขึ้นไปมวนไปจนกระทั่งถึงขั้นอ น, นิธาจากนั้นกล้าก็สุนิพานพุ่งถึงบรมสุขเลยนี่เพราะอํานาจแห่งปัญญาขอทุกๆุกท่านเลยจำเอาไว้นะมรรคนิพานสดสดร้อนรอนอยู่กับสติอยู่กับความภาคเพียรของเรานะ เราอย่าไปฆ่าพ ร, ระพุทธเจ้านิพพานอยู่เมืองอินดวงอินเดียที่ไหนเกิดที่ไหนควรตายที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นแต่คนเราเพราะธาตุเพราะขันต่างหางนี่นะไอ้เรื่องธรรมที่ไม่ตายนั้นคืออะไรจิตดวงนี้ไม่เคยตา ย, ไ ม, ย, ตายไม่เคยยิบหายตรงนรกหมไกไหมปีกลับจีกกันถูกก็ยอมรับว่าถูกมากน้อยเพียงไรยอย่างเราทูกแต่ไม่ยอมยิบหายคือใจดวงนี้เมื่อหมดบุญหมดกรรมอันชั่วชา้าเราบอกว่าแล้วฟิตตัวขึ้นมาในทางที่ดีเอาหมุนขึ้นมาทางที่ดี หมุขนขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานก็เลยกลายเป็นธรรมธาตุไปเสียศูญที่ไหนเนี่นั่นแหละพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นธรรมธาตุศูญย์ที่ไหนนั่นแหละจีดไม่ศูนนี่แหละที่ว่าครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ายัางขอให้พากันดตั้งใจมาคุยปฏิบัตินะ่ะเวลานี้ศาสนาเรารู้สึกว่าเออทางจากบรรดาพี่น้องแต่หลายมากทีเดียวดีไม่ดีเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือฟันหัวตัวเอง แล้วฟันคนอื่นเขาอีกแรกเดี๋ยวไปหมดในเมืองไทยเราเวลานี้ฆ่าสึกเกิดขึ้นจากพระหัวร้อนๆนี่แหละกำลังทําลายกันอยู่เวลานี้มืดหนายิ่งกว่าคารวาสต่อไปอีกคารวาสก็ยิ่งมืดยิ่งกว่าคารวาสทั้งหลายเขาไปอีกกาลังทําลายบ่อยงังความสง บ, บคือศาสนาจะให้แตกกระจายกระจายไปได้ทุกทิศทุกทางตามกําลังความสามารถอย่างความเร็วสามเขมันนั่นแหละเราให้จำเอาไว้นี่อ่พูดถึงเรื่องภายนอก พูดเขาเรื่องภายในถ้าเรายุ่งเหยิงวุ่นวายกับหน้าที่การงานอะไรจนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้อบรมอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบบังคับตัวเองให้สงบนี่แหละเรียกว่าศาสนาแก้ทุกให้เราไม่ได้แก้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะแก้ทุกให้เราพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิกเลอเห็นธรรมจะเห็นจากใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละตามทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้ววิธี ด้วยวิธีการต่างๆที่อธิบายฟังแล้วตะที่นี่นี่เรากำลเดินตามนี้แล้วจะเหมือนกับว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาใครมีอะไรความดีงามทั้งหลายทำลงไปเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่อตามเสด็จไม่อยู่ไม่ถอยถึงพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าสอนเพื่อพระนิพพานสอนโลกทั้งหลายเพื่อพรนิพพานเป็นที่สุดเราก็เป็นสัตว์โลกเช่นเดียวกับท่านนั่นแหละตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนลงไป บมอินซีเข้าไปโดยลาดับๆมีความแต่กต้าสามารถได้แล้วรูดพ้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธิจ้าลสาวกข้างหลานนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาวันนี้ก็เป็นมงคลอันหนึ่งเนื่องจากได้จากรบบันพุ่งนี้จะได้เผาศพท่านปัญญาท่านปัญญาเป็นค่าที่ดีหาได้ยากมากอยู่องค์หนึ่งนะตั้งแต่มาปฏิบัติอยู่นี้ได้ตั้งสี่หรือว่า4ี่สปปี ไม่เคยได้ดูด่าว่ากล่าวท่านปัญญาเลยทำเดียวก็ไม่เคยเพราะท่านละเอียบทุกอย่างการพื้ปฏิบตัติสุขุมค้มคำผีรภาพมากือเดียวเป็นพระตัวอย่างได้เป็นอย่างนี้นี่สร้างก็มาร่วงไปเสียแล้วนี่เห็นอยู่นี่เห็นไหมล่ะนี่เราทั้งหลายก็เลยมาโป่งธรรมสังเวช ท, ท่านก็ตายด้วยเช่นเดียวกับเราเรากับท่านแบบเดียวกันต่างกันแต่ก่อนหรือหลังเท่านั้นเองให้นำธรรมนี้ไปปฏิบตัติไปเป็นข้อคิดข้อละลึลกนะ วันนี้เราได้มารวมกันฟังอัดฟังธรรมก่อนจะเผาศกท่านในวันพรุ่งนี้ <c oughs> เมื่อเผาศกกันท่านแล้วก็ น, นําเอาอารมณ์เหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติตัวเองปลุกใจย่อยอย่างอยากให้มีความชราใจอย่าให้มีความนอนใจตายแล้วจะไม่มีป่าช้าอยู่นะต้มลงในนรกไม่ดีเลยทั้งท่านที่คำสอนเครื่องชูร่ามีอยู่แต่ไม่สนใจกับธรรมไปสนใจตั้งแต่ขวากแต่น้ํา แต่ฟืนแต่ไฟจะนําเราลงไปเผาไหม้ดนะโลกไม่ต้องสงสัยเรานั่นแหละเป็นผู้นําไฟมาเผาเราพระพุทธเจ้าสวาวพะองค์ใดถ้าไม่นํำฟืนไฟมาเผาใครเราเองนี่แหละตัวคึกตัวขนองเอากิเลสที่เป็นตัวดื้อด้านหันทาทุกอย่างะมาติดพันกับตัวเองแล้วก็มาสร้างตั้งแต่ความชั่ช้าระหูตายลงไปแล้วก็จมเลยจมเลยให้พากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ก็เห็นว่าจะเหมาะสมกับท่ากับฐานกับเวลาเวลา ขอความเจ้าดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องทางหลายทั่วหน้ากันเธ อ, อเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเหนื่อยอ่ะาเท่ากี่นาะทีละเหนื่อยอ่ะวั น, นี้เหนื่อยนะห้าห้าสิบเยอะะได้ห้าสิบเยอะโกกันนะว่าได้นานอยู่ไปห้า มันเดี๋ยวนี้มันเหนื่อยไมเหมือนแต่ก่อนเนะวันนี้เรื่องเทศกับเรื่องเกี่ยวกับมาฐานกับเทศยนเอาหนะาเราเทศยนยนยนให้พอเหมาะพอดีกับเวลาเวลาไม่ได้เทศตามความเป็นจริงจะทุกอย่างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอืม บ่ายสามโมงแล้ววันพุงนี้พอสามโมงเป็งเอาเลยเออบ่ายสามโมงแล้วก็เริ่มเลยวันพุงนี้มมนมมนนท่านปัญญาท่านทำประโยชน์ได้มากนะยงังยังคลาสต่างชาติมานี่อาศาัยท่านเป็นท่านปัญญาเป็นสะพานก้าวเดินเข้ามา มาศึกษาอารมมีท่านปัญญาเป็นพื้นฐานสําคัญที่ให้ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้นะนี่ท่านล่วงไปจึงเสียประโยชน์มากมายทีเดียวอืมีเท่านั้นแหละแล้วเดีจะให้พรดีวกว่า น, นะอ่าให้พอรอให้พรดีวกว่า <c oughs> อิชิตังปฏิต่างทมหังทิบมะแมว่าสมิชาตูซาเพภูเรนตูสังกปา จานโท่ปนระโสยถามณิชโชติระโสยถาสพีติโยวิวาชฌานตุสาพระโคโวินาศสตุูมาเตผวันตมันตราโยสุขทีทีฆายุโกผวาอภิวาทนาศสีนิสนิจจังมุธาปชายีโนจัตตารธรรมาวาทานเต อายุวันโนสุขางภาลางไดะเอาละที่อ๋อยังไงล่ะพอคนเต็มตลาดนะตลาดหลังนี่ก็ว่าใหญ่นะถ้าเวลามีงานทีไรแคบไปทุกทีแคบทุกทีนี่ความยาวมันหกสิบเมตรกว้างสามสิบเมตรนั่นนี่กว้างสามสิเมตรยาวหกสิเมตร ก็ว่าใหญ่โตแต่พอมีงานทีไรแคบทุกทีอะไรองเันนี้ฉันบ้างแต่มันไม่ค่อยเป็นเนยเอาเป็นอะไรขายมันอะไรนะสิของอยู่ตากรีดดอนไวเอ็น ขายน้ำปลามา1 0ร้ อ, อยโหล hmm? น้ำปลามาร้อยโหล hmm. น้ำมันพืชร้0ยโหลน้ำตาลทราย100ยกระสอบนมปัง1้อยทร hmm. วมเป็นเงินทั้งหมด1 5 0่งแบาทครับ hmm. เกี่ยวมานี่แล้วเหรอครับมาแล้วครับ hmm. มาผ้ากันจะจัดอะไรเลย พวกเราได้สั่งกันแล้วเอ่อผ้าเราอยากจะเลิกก็เลิกได้แล้วนะเสร็จเท่จบแล้วให้พอเิรันดร์แล้วผ้าเราอยากจะเลิกก็เลิกไปได้แล้วประชาชนอยากจะเลิกก็เลิกไปได้แล้ ว, ลวอืมวันบุบนี้ก็ฉันที่นี่ดะราใหญ่ในฉันที่นี่ ท่านเปนี่จะมาใช้ด้วยกันที่หมดหรือยังไรงรูอ้อืมเพราะผ้าไทยผ้าฝรั่งให้ใช้ข้างในเออเรายังกับเข้าใจกันแล้วนะครับอืมตอนนั้นอนไฟาตกอยากกาเกันอือย อ, อยากให้กาเกันกกนึงจะไม่มีมะไม่มีมอนนั่นตอนมอเชืออะไรตอนนี้ก็เจก เกี่ยวกับภาพแยกไม่ออกวันนี้ต้องได้เทอ่อย่างนี้อย่างนี้นะตามธรรมดาเราเท่ปลากับโยมไม่ได้ค้าเข้ากันนะเท่กับผ้าคู่เลยนี่เท่กับผ้าอย่างนี้ไม่ได้สะดวกนะเนี่ยคือกักกูกล่าวถ้ามีแต่ผ้าล้วนลนโอ้โหไม่ต้องบอกเนะ่ยไหลไปเลยนี่ประชาชนเนาะจึงลำบากเอาม้วนเท่ที่ไหนเอาม้วน วาตอนเช้ายังไงที่เทศเกี่ยวกับผ้านะเรื่องำดับลำดาเช่นกิตบนานี่เยวก็บอกให้พระนั้นขอดเออะพระหลังบูวนี้ดีอยู่นะชาการแล้วเพราะท่านเหลนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังของทานเราก็เยอะแล้วเนี as <S <S <S <S en ่ย เครื่องใตยทานเราก็เยอะอยู่แล้วทง่นสานส่งมาอยู่แล้วเราสั่งเพิ่มมาแล้วอย่งแล้วทางรุ่นส่งมาอีกมากเออทางไหนทางอุดรเลยส่งมาแล้วแล้วทางเท้หที่ว่าต่ีนี่ม้อันนี้ก็มาแล้วเหมือนกันเออเอาไว้นี่ไปแจกทานไปแจกทานนี้หมดเลยไม่เอาอะไรอยางนั้นเราเออ ออทองคำยังซืมซาบเหมือนน้าทองคำที่เราได้เข้าข้างหลวงแล้ว11 ต, ตันกับ3 7กิโลขึ้นแต่นี้ให้ให้เป็นฝนลินนะฝนไม่ได้ตกแตูมตามตามตามีรูเข็บลงด้วยกับตามฝนแบบพรำเลยเรื่อยนะ ให้ทองคําค่อยไหลซึมมาเรื่อยๆคราวนี้เราจะมีหวังที่จะได้ทองคําเพิ่มก็อีกเยอะจากงานใหญ่ของเรานะควรจะได้ทองคําเพิ่มก็อีกเราจะพอใจมากเรายีงรู้สึกแป้วใจอยู่ตรงนี้แหละที่เรียนในพี่น้องหลายทราบถ้าค่อยไหลซึมไว้แล้วจะหนุนขึ้นจะได้เยอะนะอืม อืมอืมอืมอืมอืมสิปีนะสกันที่หนกันยาอืมอ่อืม เน่นีเนี่ยมวยกเป็นมะเร็งในตับผ ม, มหดทางแยกมาได้แล้วมะเร็งในตับลุกลามเข้าไปแลวไปเร็วด้วย มาอะไรน Franc ี่อะไรนั่นโอ้อ <Nike> ้าวไปเอาไปเลย